เรื่องสกุลภารัตวาชาพระรามสี่คนออกบวชพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารบบุตรของนันทนัญชานีพราหมณีความพิสดารว่านางพราหมณีชื่อทนัญชานีของพราหมผู้พี่ชายของอกโกสกะพารัตวาชาพราหมณ์นางได้เป็นโสดาบันแล้วจะจามก็ดีไอก็ดี พลาดก็ดีมาเปล่งอุทานว่านโมตัสสะพัคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัจขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วพระองค์นั้นวันหนึ่งในเวลาเลี้ยงพัดคืออาหารแก่พรามนางพลาดแล้วเปล่งอุทานขึ้นแล้วอย่างนั้นนั่นแหลด้วยเสียงอันดัง รามโกรธแล้วกล่าวว่าจะไปยกวาท่าต่อศาสดาของเจ้านางจึงกล่าวว่าจงไปเถอะเพราะยังไม่เคยเห็นใครจะยกวาท่าต่อพระศาสดาได้เลยรามไปสู่สำนักพระศาสดาแล้วไม่ถวายบังคมยืนอยู่แล้วเมื่อจะทูลถามจึงกล่าวคาถาอย่างนี้ว่าข้าอะไรได้จึงเป็นสุขข้าอะไรได้จึงไม่เศร้าโศก พระองค์ยอมชอบใจซึ่งการฆ่าธรรมะอะไรซึ่งเป็นธรรมะอันเอกลำดับนั้นพระศาสดาจึงตรัสพระคถาว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้แล้วจึงอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธได้แล้วจึงไม่เศร้าโศกพระอริยะเจ้าทั้งหลายสรนเสริญการฆ่าความโกรธอันมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะบุคคลนั้นฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศก พรามนั้นเลื่อมใสในพระศาสดากราบทูลขอบวชและบรรลุอรหัตครั้งนั้นอกกากฤษกะพารัตวราชาพราหมณ์ผู้น้องชายของเขาได้ฟังได้ยินว่าพี่ชายบวชแล้วก็โกรธจึงตั้งใจมาด่าพระศัสดาแม้เขาก็ถูกพระศัสดาให้รู้สํานึกด้วยข้ออุปมาด้วยการให้ของควรเคี้ยวเป็นต้นแก่แขกทั้งหลายเขาเลื่อมใสในพระศัสดา บวชแล้วบรรลุอรหัสน้องชายทั้งสองคนชื่อสุนทริกะพารัวาชะกับพิลังคกะพารัวาชะพากันมาดาพระศาสดาอีกเหมือนกันอันพระศาสดาทรงแนะนำบวชแล้วบรรลุอรหัตเช่นกันต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันเรื่องความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า พี่น้องชายทั้งสี่คนด่าอยู่ซึ่งพระสัสดาไม่ตรัสอะไรกลับเป็นที่พึ่งของรามเหล่านั้นอีกพระสัสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่ประทุษร้ายในชนทั้งหลายผู้ประทุษร้ายเพราะความที่เราประกอบด้วยกำลังคือขันติย่อมเป็นที่พึ่งของมหาชนโดยแท้ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคถ า, าว่า ผู้ใดไม่ประทุษร้ายอดกลั้นซึ่งคำดาการตีและการจองจำได้เราเรียกผู้นั้นซึ่งมีกำลังคือขันติมีหมู่พลว่าเป็นพรามคำว่าพรามในที่นี้หมายถึงพระขีนาศพผู้สิ้นอาสวะกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นการอธิบายคำว่าพรามในแง่ของพระพุทธศาสนา ในขณะที่ศาสนาพราหมณ์ในอดีตนั้นเรียกนักบวชของพวกเขาว่าพราหมณ์ซึ่งหมายถึงผู้ลอยบาปสิ้นบาปแล้วแต่ในความเป็นจริงการประพฤติธปฏิบัตินั้นไม่ได้นำไปสู่การสิ้นบาปได้จริงเมื่อจะส่งแนะนำจงึงทรงตรัสสอนในตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วเรียกว่าการกระทำแบบนี้เท่านั้นจึงสมควรเป็นพราหมณ์ปฏิบัติแบบนี้เท่านั้นที่พระองค์จะส่งเรียกว่าเป็นพราหมณ์ จึงจะถือว่าเป็นพรามอย่างแท้จริงในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละ